ฝันว่าคุณยายเสียกังวลใจมากบทความโดยดังตรินจัดทําโดยนภพณพลพะวังสวัสดิ์เมื่อคืนฝันว่าคุณยายเสียตื่นขึ้นมากลางดึกกังวลใจมากแถมพอหลับลงไปก็ฝันต่อว่ารถเสียอีกทั้งสองความฝันสมจริงสมจังเหลือเกินอันนี้เป็นลางดีหรือลางร้ายครับ ไม่มีตำราทานายฝันเล่มใดระบุได้ละเอียดขนาดฝันว่าเสียใาญหมายถึงอะไรและยิ่ง่านในคืนเดียวกันฝันว่าเสียรถเข้าไปอีกเมื่อนำมารวมกันคงต้องถอดรหัสกันซับซ้อนน่าดูถอดไปถอดมาอย่างมากก็คงลงเอยเป็นถอดใจแล้วเวี่ยงแห่ให้ไปอยู่ในหมวดสูญเสียบุคคลและของรักของห่วงเท่านั้น คนชราจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติอย่างไรวันหนึ่งท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปจริงๆทรัพย์สมบัติที่มีจะดูดีมีราคาเพียงใดก็มีสิทธิเสียให้ซ่อมได้หรือเก่าจนผุพังต้องขายทิ้งได้ในไหนฝันก็มาให้ซักซ้อมเตรียมใจแล้วอย่าปล่อยให้สูญเปล่าครับนี่นอกจากไม่ซ้อมเตรียมใจคุณยังกังวลราวกับเกิดเรื่องขึ้นแล้วจริงๆอีกไม่คุ้มเอาเลย ฝึกพิจารนาว่าฝันจะบอกอนาคตอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันผ่านแต่ที่รู้แน่คือมันฟ้องว่าใจของเรายึดมั่นถือมั่นแรงหวงหาอลัยและอาจเศร้าใจง่ายแม้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเล็งเข้ามาตรงใจที่ตื่นแล้วเลิกฝันแล้ว จ้เห็นว่าความฝันมันฟ้องเราชัดเจนเกี่ยวกับอุปาทานมันฟ้องถึงใจที่เอาแต่ยึดมั่นถือมั่นยังไม่เป็นสาระแม้ฝันผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาเป็นกังวลได้เห็นอย่างนี้คุณจะยึดติดถือมั่นน้อยลงจิตใจโปร่งโล่งขึ้นและนี่อาจเป็นก้าว แ, แรกที่พาให้เข้าใจตลอดจนเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ จิตนี้ใจนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับยึดติดหลงติดดูดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวไปวันวันมองรอบตัวเถอะอะไรบ้างเล่าที่ไม่ต้องแปรไปอะไรบ้างล่ะที่ไม่เหมือนการดับลงของฝันทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นเพื่อหลอกให้ยึดให้หลงห่วงไว้ว่าของเราหรือเป็นเราสุดท้ายก็ค่อยๆแสดงความเสื่อมลงกดหายไปหมดสิ้นทั้งนั้น สำหรับตัวผมเองเวลาแปลฝันจะไม่แปลไปทางลางบอกเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จะออกแนวดูให้รู้ใจตัวเองว่าที่ผ่านมามีอะไรให้ยึดติดหรือคิดอะไรอยู่ในส่วนลึกเมื่อจับได้ไล่ทันตัวเองเห็นอาการยึดเป็นเพียงสายโซ่ที่ล่ามใจเราไว้ก็จะเห็นโทษของโซ่ที่ผูกเราไม่ให้เป็นอิสระเมื่อเห็นโทษบ่อยเข้าใจก็จะยิ่งคลายบ่อยขึ้น เหมือนเอาเลื่อยมาบันโซ่ทีละน้อยพอนานเดือนนานปีเข้าโซ่ก็ขาดเองโดยไม่ต้องใช้กำลังให้เหนื่อยมากเลยครับ